ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันที่ยี่ิห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดที่บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันพูดที่สถานีเป็นวันบันทึกเสียงเพื่อทำหนังสือเล่นที่ห้าหนังสืออันเล่นเล่นที่ห้าตอนที่ห้า ในตอนนี้ให้ชื่อว่าเทวดาและผีเมืองชัชนาตเรื่องราวก็มีว่าว่าตอนที่แล้วมายับยังกันอยู่แค่สีแยกของชัชนาตอย่าลืมว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้องเรื่องที่พูดต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นนิทาน แต่ว่าถ้านิทานจะไปตรงกับความเป็นจริงก็เป็นเรื่องนิทานมาเอินไปชนเข้าในท้องเรื่องของนิทานก็มีว่าขั้นผ่านธรรมามูลไปแล้วแตว่ความจริงความชุ่มคันที่เขาธรรมมูลมีมากมว่นในวันนั้นผ่านไปเห็นทเทวดาสามแถวแถวและหลายสิบท่านเบื้องสูงมีท้าวมหาพรหม ยืนอยู่แต่ต่อมาก็มาเดี๋ยววะคือว่าตั้งใจจะไปเขาลูกหนึ่งที่หลังจังหวัดเชนาดขั้นมาถึงสี่แยกก็พบท่านปู่ใหญ่คือท่านสามบดีพรมสามบดีพรมท่านบอกว่าหลายชาติที่เคยเป็นพ่อแต่ต่อมาก็พบเท้าเสกกะคือไปอิน หลังจากนั้นก็มีท่านแม่ท่านพี่ท่านน้องใครแต่ใครพวกพวกเพือพ่อนและบรรดาท่านมีคุณหลายอยู่ที่นั่นมากคอยอยู่ก็นนท่านถามว่าจะไปไหนต่อไป <äll Kes> ER> ก็กราบเรียนท่าบกว่าตั้งใจจะไปเขาลูกหนึ่งแต่เขาลูกนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะบอกชื่อก็มีคนรู้จัก จะไม่บอกชื่อก็มีคนรู้จักแต่ถ้า ว, ว่าด้วยมัน ญ, ญากเขาต้องไม่บอกกันในเวลานั่นก็แปลกดว่าท่านท้ามหานาคาทื่ อ, อยู่ที่ภูเขาลูกนั้นแต่ความจริงธรามัอยู่ประจาท้ามหานาคานี่เป็นเทวดาชั้นวชิระของท่านวีรุณหกขอโทษขอท่านวีรุณปัก และก็เป็นอของทรัพย์สินในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ซึ <c oughs> ่งอยู่ที่่อเขาลูกนี้ทองทั้งหมดไม่มีปริมาณเกินสิบตันถ้าจำไม่ผิดถ้าอาจจะจำผิดก็ได้นะณิทานจำผิดก็ไม่เป็นไรนะมั้ง <c oughs> เจ้าพที่เป็นทองแท่งสำเร็จรูปแล้วไปก็ได้เต็มขนาด มีน้ำหนักสิบสามตันเศษแล้วก็มีทองรูปพัรร์มีสร้อยเพชรมีแหวนเพชรมีแห ว, วนทองคํามีแท่งเงินมีอะไรตัว อ, อีกมากคือว่าไปทรัพย์สินของกษัตริย์เก่าคํามือก็ใส่เก่านะสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่รัฐประเทศมีอาณาเขตไม่กว้างอย่างสมัยที่อาณาเขตกว้างและเห็นว่าในสมัยหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำพูนก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดลำปางก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดแพร่ก็เป็นหนึ่งประเทศจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งประเทศแต่ยังมีประเทศซอยที่เขาเรียก่เมืองสิงห์มั่งเมืองสองมั่งที่นี่เป็นตน้นรวมความว่าแต่ละประเทศอนณาเขตไม่กว้าง แต่ละเทศก็มีเจ้าปกครองคอนครที่เรียกกันว่าสมัยนี้เรียกว่าพระมหากษัตริย์ดะนั้นในสมัยนั้นก็เหมือนกันเมื่อท่านท้ามาหาธาคาเป็นกษัตริย์อาณาจักรก็ไม่กว้างนักปกครองจากชัยนาทไปเต็มเขตนครสวรรค์ถ้าเต็มเขตลบบุรีเข้าไปเต็มเขตเจ้าวัชรพันธ์เข้าไปฟึ่งหนึ่งขุนยวิยการจะนะบุรี และก็ไปไม่ทิ้งตากยักนกำแพงเพชรเกิดทิวว่าเป็ น, นาจากใหญ่ใหญ่มากต่อมาเมื่อท่านเป็นเกษตรท่านก็มีลูกชายมีลูกหญิงมีลูกชายแต่สำหรับทองส่วนนี้เป็นทองที่แบ่งให้แกลูกชายที่เวลานั่นพร้อมที่เป็นพยุปรราช คือจะเป็นปุโรจะเป็นอะไรเป็นทายาทเอ็เริเ่มไปทรัพย์สินส่วนพระองค์เวลานั้นท่านมหานาคาท่จะก็มาสมทบท่านก็กราบเรียนกับท่านสามโดีพรมคือท่านพ่อเหมือนกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินที่ผมเคยบอกให้แล้วแล้วก็ทำแผนที่ให้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยอยู่ที่วัดบอกคลองมาคอเท่าผมไปบอกสองครั้งทำแผนที่ให้ทำเครื่องหมายให้แต่ว่าไม่มาเอาโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าขุดขึ้นมาเมาื่อไรก็จะต้องตายมานนั้นคำว่าตายไม่จะผีทำไม้ตายเท่านั้นหมายความคนจะฆ่าไหมคนจะปล้นให้ตาย โดยเหตุผลของท่านตามนั้นเป็นความจริงความจริงเมื่อสมัยอยู่วัดประครามคำเท่าไปช่วยพระค ก, กูวิชาเทียคุณอยู่สองปีก็ปลายกฏว่าท่านท้ามหาหนาคาท่านไปไปเวลาประมาณสองทุ่มไปบอกให้ทรัพยินส่วนนีท้ทราอกว่าของท่านอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสำนักหนึ่ง ถ้าเข้าไปในถ้าเจียเลี้ยวทางซ้ายที่เป็นของท่านอาจารย์สำนักนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีทองคำอยู่หายเดียวความจริงทองคำหายเดียวในบรรดาแทพธิดบริษัทเป็นทองเลือบริสุทธิ์คุณค่าเข้ า, ขามาชิ้น้อยแต่ว่าถ้าเลี้ยวไปทางขวาจะเป็นทองของผู้พูดให้ผู้พูดเปน็น อ, อกมาว่าถึงวรระที่จะต้องนามาใช้แล้ว ท่านบอกว่ายามปกติแผ่นหินที่ทับถมอยู่บรรหนานกว่านั้นเวลานี้แผ่นหินต่งตางาลปล่อยให้ร่วงลงมาแล้วก็สามารถจะขุดเอามาใช้ได้โดยง่ายถ้าสังเกตดูหินตรงนั้นจะเป็นหินที่ไม่เรียบเนื้อไม่สนิทเป็นหินส่วนเองแล้วก็มีเครื่องหมายทำไว้มีต้นไม้เป็นที่สังเกตมีสัญลักษณ์ถ้าเจาะจงไหนจะถึงก่อน หลังจากท่านไปบอกแล้วเขียนตามท่านเขียนให้ดูลุ่งขึ้นสองวันก็ไปดูไปดูก็พบตามนั้นแต่ก็มานั่งตัดสินใจว่าเราเป็นคนคนเดียวถ้าเราจะขุดทองขนาดนี้ขึ้นมาเพียงแต่จะขนเราก็ขนไม่ไหวเพียงแค่ต้องการให้ขนไม่ต้องทำอะไรก็ตายไปแล้ว กระบวนการที่สองเมื่อพบทองเราจะแน่ใจในบุคคลได้ยังไงจะไปขุดเวลากลางคืนมันก็ทำงานไม่ทันถ้าขุดเวลากลางวันก็ไม่สิ บ, บุคคลคนเดียวต่างคนข่าวเป็นของไม่ยากต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างได้ยินประเดี๋ยวก็ไปกันเต็มที่นี้คนที่ไปแล้วทั้งหมดในบรรดาท่านผู้ฟังมีใครบ้าง จะเป็นผู้ส่งสินบริสุทธิ์ยามปกติก็สามารถจะส่งสินได้เวลาที่ไม่พบอะไรแต่เหรนทองก้อนใหญ่เข้าความโลกก็จะเกิดมึงก็จะขอบ้างกูก็จะขอบ้างโดยมัร ญ, ญาติคนที่มีมัญญาติดีๆก็ อ, อ, อาอาอาปากขอแต่คนที่ไรมัน ญ, ญาติก็จะไม่ขอก็อจะหยิบเอา ไม่หยิบเอาไม่เป็นที่พอใจดีไม่ดีคนพวกนั้นก็ทะเลาะกันฆ่าฟันกันตายเพราะทองคําและเจ้าของทองคําที่ได้มาก็จะต้องตายเป็นผีเฝ้าซักไปด้วยมองไม่เห็นประโยชน์ในการได้รับทองคำและก็มาคำนึงอิบในการหนึ่งว่าสมัยที่เรายังอยากได้ไม่เคยมีใครบอกให้ทองคําเรื่องเงินหรือเพชร แต่เวลานี้เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความอยากได้เพราะาเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นความเกิดเป็นคนก็ยามฝึกฝนตนเพื่อให้พ้นจากความอยากได้แต่ท่านก็บอกให้เมื่อมาคำนึงถึงตอนนี้ท่านก็บอกว่าเวลานั้นท่านยิงอยู่ด้วยนี่พูดจางอาดีตที่แล้วมานะ อดีตที่แล้วมาทึาบอกว่าเวลานั้นเจะบอกให้คนโอกาสก็ยังไม่มีคนยังมีพันธะย่งยากมากทีตกอยู่ภายใต้อํานาจของคนบางพวกแต่ว่าเวลานี้คนอิสระไม่มีใครสามารถจะใช้อํานาจคุมคุณคุมบังคับคนเองให้สามารถปฏิบัติตามเขาได้โดยไม่ชอบทำคุณมีจิตใจอิสระที่ให้ ก็ตึงตึงบรึกษาท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในฐานะที่ จ, จะมาเป็นลูกก็ขอเคารพท่านที่เป็นวีดาภู้มีประคุณใหญ่ถ้าแยขุดทองขึ้นมาประโยชน์ของตนก็จะไม่มีเพราะจะเหนื่อยด้วยมีความลำบากด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ทุกขคนละภาพก็ถูกทำร้ายไม่เช่นนั้นก็ตาย แล้วจะมีบุคคลใดบ้างที่มันจะมองเห็นว่าเป็นที่พึ่งให้ที่มองคนจริงๆและ่ยมันดาท่านพตุตตบริษัทโดยมากว่าจะเป็นคนโลภโมโท ส, สัรเสมาคแพตแมต้แต่พวกผมผ้ากาสาวพัดการเสียสละหายากมีแต่อยากได้เป็นของตัวดีไม่ดีจักงานเองเมืงง่อเงินไม่พอนิดหน่อย ที่ว่าเงินเลยรับในงานไม่พอใจก็ยังไม่จ่ายเงินส่วนตัวมีไม่จ่ายปล่อยให้พวกพบริโภคสบ้างเครื่องกระแสไฟฟ้าบาคร่อุมพวกคูมไฟฟ้ามาในงานต้องรอการเป็นหนี้ความจริงเ้าก็จ่ายค่าดมันจ่ายค่ารูจ้างไปแล้วกําลังใจคนไม่ดีขนาดนี้เราจะไว้วางใจใครยีร่งกราบเรียนท่านว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกัน ในเมื่อเป็นของส่วนตัวได้ท่านพ่อก็รักษาไว้ให้เวลานี้ก็ขอมอบหมายเป็นของพระพุทธศาสนาจะดีกว่าจะมีในสงร่วมกันท่านถามว่าตัดสินใจได้แล้วหรือก็กลับไปนึกบอกว่ากลับตัดสินใจได้แล้วก็เป็นอันตกลงว่ามอบหมายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสถานที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธริษัตถ้าใครไปที่นั่นเวลานี้ยังสังเกตเห็นอยู่ง่ายๆแลยก็เป็นถ้าเล็กๆเกข้าไปข้างในหยาบลากดมีน้ําจ้ำๆเป็นทางน้ําผ่านด้านหน้าถ้าด้านในไม่มีน้ำเค ร, รื่องความมารั์ผินส่วนนี้พับกันไป ตอนนี้ว่ากัเรื่องสัพว์หินส่วนนี้ทับพับกันไปแล้วนะเรื่องของท่านท้าวมหาราทาผู้เป็นพ่อก็พักไว้ตอนนี้ก็จะมาพูดกันถึงภูเขาลูกนี้ว่ามีความสาคัญอะไรบ้างสำหรับภูเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความสาคัญเยอะเพราะเป็นหินนอกจากเป็นหินแล้วก็มีดิน จะด้านเพงมีต้นไม้ขึ้นความจริงนี่ไม่น่าจะพูดนะปากมันมากไปเองนอาเากหินนอกจจกดินนอกจากต้นไม้ก็มีสิ่งลี้ลับไปจากนั้นลี้ลับไปจากสายตาของบุคคลผู้มองไม่เห็นแต่กำลังใจของบุคคลที่ได้ทิพย์ปุญญาณเห็นนี่ม้ความสำคัญมาก ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นท่านคุยกันได้ท่านรู้จักรจำดีนั่นคือเทวดาหรือผีแต่เวลานั้นท่านอาจารย์ผู้นั้นธรรมรณภาพ้าไปแล้วบอกชื่ออาจารย์ก็ได้ท่านไม่ห้ามท่านชื่ออาจารย์ชื้นอาจารย์ชื้นนี่เป็นพระโพธิสัตว์ปราทันาพุทธกุ เป็นอาจารย์ตอนต้นเป็นครูวัดแต่ว่ามีความปฏิบัติและมีความประพฤติเนื้อพระไหลองเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษตั้งอยู่ในความกระตันญูรู้ขุนอย่างน้วงพวกกรวศริกานีถ้าอาจารย์เชื่นเคยไปศึกษามาท่านมีความเคารพในนลําพ่อกรมาก ถึงวันถึงปีกําหนดที่จะต้องทําบุญเพื่อประกอบท่านจัดงานทันทีแล้วก็ใครจะทํากับท่านหรือไม่ทํากับท่านท่านก็ไม่กะไม่เก่งใครแล้วก็เป็นที่น่าอาัศจรรย์บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายการจัดงานของอาจารย์เชื่นีิไรคุณมากจริงๆในการสอนกรรมฐานของท่านก็เป็นคนมีเหตุมีผล เ้วยสอนตรงไปตรงมาตำหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาต่อมาได้คุยกันในหลักสูตรื่องกรรมฐานคุยกันเรื่องกรรมฐานสี่สิบอาจารย์ชื่นมีการคล่องตัวมากทุกกองเกลยคุยกันได้เป็นปกติขั้นถามถึงผลของการปฏิบัติถามด้านสัญญาตได้ก็ตอบว่าถ้าพูดทั้งด้านสัญญาต ผมก้นได้แต่เพียงเทียบเพียงไปครับถามถ้าว่าเป็นพระอไรอาจารย์ให้บอกว่าผมปรารถนาพุทธภคคํคำว่าสัญโยตปัรดาท่านพุทธบริษัทเป็นธรรมะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้านี่มีความสาคัญมากผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าไม่เข้าใจในสัญโย์ปันดาท่านพุทธบริสัท์ เพราะว่าทานอภัยเถอะก็ขอที่โปรดว่าการปฏิบัติของท่านไม่เหนื่อยเปล่าแต่มันช้าเกินไปจําให้ดีว่าไม่เหนื่อยเปล่าแต่ช้าเกินไปกว่าจะเข้ามุมกว่าจะเข้าคกว่าจะมีผลมันแสนที่ยากถ้ารู้จักสัญญศิษการเอามาใช้ในการปฏิบัติ มันจะง่ายขึ้นเยอะแล้วใช้เวลาไวขึ้นถ้าตัดสสงโยน์ได้ทั้งสิบเป็นพระอารหันต์ตัดแสงโยต์ได้ห้าเป็นพระอนาคามีตัดแสงโยต์ได้สามจิตละเอียดดีเป็นพระสีธาคามีตัดสสงโยน์ได้สามปจิตยังอยากเป็นพระโสดาบันอันดับแรกก็จับสสงโยต์สามเข้ามาตั้งไว้ก่อน ถ้าเราตัดสังโยชน์สามได้แล้วบรรดาท่านผู้ฟังขึ้นชี่ว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่ให้ผลเราจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลสรกายเป็น ส, นสติชันอีกอย่างเลวที่สุดเราจะเกิดแค่เป็นคนกลับเป็นเทวดาเดี๋ยวผมสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จเจเจชาิเป็นไปนิพาน ถ้าอย่างกลางเป็นโสดาบัอยัางกลางเกิดเป็นคนสามชาติเทวดาหรือพรหมสามชาติไปนิพพานถ้าเป็นพระโสดาญาบัญญายละเอียดจะ่างโสดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นเทวดาหรือพรหมอีชาติไปนิพพานแต่ว่าถ้าฉันหลายก็วันนิพพานเมื่อตายก็รวมความว่าการสัญญน์บรรดาแทนพุทธบริษัทจะต้องศึกษา แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานสัญโยติทำไปในที่ไหลแห่งพูดไปในที่ไหลแห่งสาตึกษาเอาก็ลงความว่าถ้าอาจารย์ชื่นแต่อาจารย์ที่คนให้การเคารพจะขอชมว่า ด, ดีกว่าพระหลายองค์เพราะสมัยที่เป็นเครวัจก็มีปฏิบัาขั้นพระชั้นดีต่อมาถ้าจะเป็นพระอีกเป็นบทพระก็ดีเลื่อขึ้นไป แต่ก็ดีอย่างพุทธภูมิภาษาเรียกว่าดีอย่างถ้าบริษัทไม่ใช่เลองเล็กก็บริษัทที่มีกำลังสูงมากอาตมา ก, ก็เคารพคุยแกท่านได้สะดวกแล้วไม่มีหักร้างใครไม่มีตำหนิใครหายากมีลูกศิษย์ลูกหามากนี่ว่ากันทีคนเน่ยจะว่ายาวไปที่อาจารย์ชื่อเนี่ยพูสิบคัทเซก็ไม่หมดก็ขอรดไปเข้ามาหาถึงเทวดา และผีที่นี่ก็มีเทว ด, ดาที่น่ารู้จักแต่ความจริงเทว ด, ดามีมากถามว่ารู้จักเทว ด, ดาหรือเชื่อเทว ด, ดาหรือก็ต้องขอบวชทานโทษพูดหยาบสักนิดหนึ่งว่าใครเพี้ยว่าเทว ด, ดาไม่มีผีไม่มีก็ช่งางหัวมันเป็นไรความจริงพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทว ด, ดามีจริงผีมีจริง เรื่องเทว ด, ดาเรื่องผีนิพพุทธเจ้าพูดไว้ในที่ทุกสถานและทําไมจึงไม่เชื่อเหตการที่ไม่เชื่อก็ตัวไม่ดีพอหลักสูตรความรู้ในพุทธศาสนามีเช่นหลักสูตรของวิชาสามก็ไม่จําเป็นต้องศึกษาสูงทําได้แค่หนึ่งในวิชาสามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ชาญโล ก, กีก็เกินแล้วก็เหลือเหลือหลแล้ว เหลือใช้เหลือสอยเหลือกินเท่านี้สามารถเห็นผีเห็นดาเห็นนรกสวรรค์ได้เจนนั้นท่านผู้ฟังโปรดทราบเป็นผู้อ่านก็โปรดทราบว่านารกสวรรค์มีจริงผีเทวดามีจริงคนที่ว่าไม่มีพวกนี้ต้องถือว่าเป็นผู้มีตาบอดผีและบอดเทวดาอย่างคนที่มีสายตาไม่ดีเห็นสีผิดปกติ เห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเห็นสีเหลืองเป็นสีแดงเห็นสีฟ้าเป็นสีเขียวเห็นสีเขียวเป็นสีฟ้าตามนี้เขานิยมกันไม่ได้ถ้าเรียกว่าบอดสีใจคนประเภทนี้เรียกวบอดผีผีมีตาบอดมองไม่เห็นแล้วแล้วก็บอดเทวดาเทวดามีใจบอดมองไม่เห็นให้คนตาบอดที่ไม่เป็นไรถ้าใจบอดที่มันเร็วมาก ต่อไปก็มาคุยกันขอพูดเรื่องเทวดา <c oughs> เวลานั้นเทวดาที่มีจดเด่นแต่ความจริงเทวดาจะคิดว่าท่านอยู่ที่เขานี่นะเทวดาท่านมีวิมานอยู่แต่ภาระหน้าที่ของท่านมีประจำที่นี่บ้างท่านก็ตรงมาบางท่านก็มีภาระหน้าที่ที่อื่นโดยกว้างก็ผ่านมาแต่มีการสง่งเคราะห์ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเชนาตในเวลานั้นเทว ด, ดาที่คนเมืองเชนารตรู้จักมากก็คือกรมหลวงชุกพริ่งเขตอุดมศักดิ์พเลเอกเอกกรมหลวงชุกพริ่งเขตอุดมศักดิ์ที่เรารู้จักกันองค์หนึ่งก็อีกองค์หนึ่งที่มีกําลังอํานาจบารมีรองลงมาคือท่านสิงขร อ, อีกองค์หนึ่งคือท่านไปลาหรือท่านปลัง บางท่านเรียกว่าปลังแต่กรมหลวงพรท่านเรียกว่าไพรอีกท่านหนึ่งคือท่านทองดีทเทวดาชั้นดาวดึงแต่ท่านนี้ไม่ได้มาประจำแต่เวลาที่ผู้พูดไปทีไรท่านมาทุกทีคุยกันทุกทีรู้เรื่องมากก็ถ้าไม่ลืมก็จะพูดต่อไปในเทอนต่อไปขา้า ตอนนี้ก็มาคุยกันที่ว่ากรมหลวงจุพเรเขีตวดุมศักด์ก่อนเรื่อหรับกท่านกรมหลวงจุพเรเขียวดุมศักด์นี่ไม่ใช่เทวดาประจำที่เขาหรกนี้เป็นแต่เพียงว่าที่เขาก็ดีที่นอกเขาก็ดีาดตามบ้านก็ตามคนมีความเคารพนับถือกันมากเป็นกรณีพิเศษโดยว่าถ้าเขาไข่ข้องอะไรก็ตามเขาจะบนกรมหลงจุพร ในบันบนกรุหลพรอนี่สำเร็จผลทุกอย่างตามที่เห็นมาแต่ทางนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมันอยู่ที่กำลังใจเทวดาถ้ามีกำลังใจเป็นทิพย์เราจะมีความเคารพท่านจริงหรือไม่จริง <c oughs> ก็ท่านทราบอยู่ก่อนถ้าเคารพท่านจริงท่านก็ช่วยจริงตามความสามารถของท่านถ้าเราเคารพไม่จริง ใครจะช่วยก็ต้องขอตอบว่าท่านไม่ได้ช่วยแบบไม่จริงท่านไม่ช่วยเลยก็แบบเราเรานัาบบ่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าคนใดมันสักเที่ยวพูดกับเราไม่ยอมรับนับถือเราด้วยกรณีดใดๆก็ตามมีการเหยียดหยามมีการดูหมิน่นแล้วก็ดูถูกหรือไม่เห็นความสาคัญเราก็ไม่อยากจะช่วย ถ้าช่วยก็สักได้ ว, ว่าช่วยพึ้นพิธีกรรมผนจะไปยังไงก็ช่างาะมันคนประเภทนั้นใครจะห่วงอ้าวบรรดาแทนพุทธบริษัทหลายรายการนี้เป็นราการธรรมะก็เหลืออีลายสองนาทีเราก็มาพูดถึงความดีตามคติของพระพุทธศาสนาทุกคนที่ฟังทุกคนที่อ่านต้องการความดีและต้องการความสุข ถ้าต้องการความดีต้องการความสุขให้ทุกคนคนอื่นเห็นว่าเราดีด้วยแล้วก็เรามีความสุขด้วยให้ปฏิบัติธรรมะแบบเบาๆในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าขี่ปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่เคราะหควรปฏิบัติให้ได้เพราะไม่ขัดคอกับสุราเมรัยไม่ขัดคอกับกามสมีชาจา์เป็นตน้น ที่พูดสองข้อนี่พระว่าที่เวลานี้นิยมกันมากแต่ว่าปฏิบัติตามสงังฆวัตถุธรรมะสี่ข้อนี่จะไม่ขัดกันท่านเรียกว่าสงังฆวัตถุทั้งสี่ราการคือหนึ่งทานการให้ให้รู้จักสงเคราะห์สิ่งอะไรกันด้วยวัตถุการสงเคราะห์บรรดาท่านบุกฟังเป็นปัจจัยให้เกิดความรัก ถ้าเราขัดข้องเขาให้เราเราก็รักในเขาเขาขัดข้องเราให้เขาเขาก็รักในเราในเมื่อต่างคนต่างรักกันจิตใจก็มีความสุขเห็นหน้ากันก็มีรมใจชงชื่นนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เกิดความสุขและเกิดความดีคนรักกันก็มีแต่ชมกันว่าดีคนรักเจอ ก, กันก็มีแต่ความสุข ข้อดีสองปียวาจาคือพูดดีพูดเพราะเพื่อนคนเขาชอบฟังเสียงแบบไหนใช้เสียงแบบนั้นใช้สํานเขาชอบสํานวนแบบไหนแล้วพูดสํานวนแบบนั้นเขาชอบลีลาแบบไหนแล้วพูดดีลาแบบนั้นรวมความอาการพูดดีก็กหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคําหยาบสามไม่ส่อเสียเขาแตกแล้วกันแล้วก็สี่ ไม่พูดเละเทะเลี้ยวไหลทำลายประโยชน์อารับรรดาท่านพุทธบริษัทพูดจบไม่ได้แล้วเวลาหมดพอดีในเวลาสิบวินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี